11. นิโรธกถะในมุเรบยสว่าด้วยนิโรธส5มหสกวาธีนิโรธมีสองอย่างใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาธีสกวาธีทุกนิโรธมีสองอย่างใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาธีทุกนิโรธมีสองอย่างใช่ไหมปรวาที ใชสกวาทีนิโรธทศัตย์มีสองอย่างใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีนิโรธทศัตย์มีสองอย่างใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีท <dad> um ุกขศัตย์มีสองอย่างใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีนิโรธทศัตย์มีสองอย่างใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาที สมุทิยสัตว์มีสองอย่างใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีนิโรธสัตว์มีสองอย่างใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีมรคสัตว์มีสองอย่างใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีนิโรธสัตว์มีสองอย่างใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีที่ต้านทานมีสองอย่าง ที่เร้นมีสองอย่างที่ระลึกมีสองอย่างจุดมุ่งหมายมีสองอย่างที่มั่นมีสองอย่างอมตะมีอย่างนิพพานมีสองอย่างใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีนิพพานมีสองอย่างใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีนิพพานทั้งสองอย่างยังมีความสูงต่ำความเร็วและความประณีต ความยิ่งนือหย่อนเขตแดนความแตกต่างร่องรอยช่องว่างอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีนิโรธมีสองอย่างใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลนำสังขารที่ดับโดยไม่ต้องพิจารณามาพิจารณาให้ดับได้มิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาที หากบุคคล น, นำสังขารที่ดับโดยไม่ต้องพิจารณามาพิจารณาให้ดับได้ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่านิโรธมีสองอย่างประวาทีท่านไม่ยอมรับว่านิโรธมีสองอย่างใช่ไหมสกวาทีใช่ประวาทีสังขารที่ดับโดยไม่ต้องพิจารณาก็ดีที่ดับโดยพิจารณาก็ดีตางก็ดับสนิทแล้วไม่ใช่หรือสกวาทีใช่ ปรวาทีหากสังขารที่ดับโดยไม่ต้องพิจารณาก็ดีที่ดับโดยพิจารณาก็ดีต่างก็ดับสนิทดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่านิโรธมีสองอย่างสกวาทีนิโรธมีสองอย่างใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสังขารแม้ที่ดับโดยพิจารณาชื่อว่าดับเพราะอาศัยอริยมรรคใช่ไหมปรวาทีใช่ สกวาทีสังขารที่ดับโดยไม่ต้องพิจารณาชื่อว่าดับเพราะอาศัยอริยมรรคใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีนิโรธมีสองอย่างใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีสังขารที่ดับโดยพิจารณาไม่เกิดขึ้นอีกใช่ไหมประวาทีใช่ สกวาทีสังขารที่ดับโดยไม่ต้องพิจารณาก็ไม่เกิดขึ้นอีกใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่านิโรธมีสองอย่างนิโร ธ, ธกถาจบทุติยวัฏจบธรรมกถาที่มีในวั์นี้คือ 1. ปรูปหารกาัถาสอง อัญญาณกถสามกังขากถาสีประวิตารันะกถาห้าวจีพเพทกถา 6. กทุกขาหารกถาเจ็ดจิตตติติกถาแปดกุกุละกถา 9. ก้าอนุปปภาพิสมัยกถาสิบโบหารกถาสิบเอ็ดนิโรธกถาสาม ตาติยวัคหนึ 1. พระรถาในมงเร็บ21ว่าด้วยกําลัง354ร้อาสีกวาธีกำลังของพระตถาคตมีได้ทั่วไปแก่พระสาวกใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีกาําลังของพระตถาคตก็คือกําลังของพระสาวกกําลังของพระสาวกก็คือกําลังของพระตถาคตใช่ไหม ประวาทีไม <poetry> ่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกำลังของพระตถาคตมีได้ทั่วไปแก่พระสาวกใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีกำลังของพระตถาคตกำลังของพระสาวกเป็นอันเดียวกันกำลังของพระสาวกกับกำลังของพระตถาคตก็เป็นอันเดียวกันใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกำลังของพระตถา มีได้ทั่วไปแก่พระสาวกใช่ไหมประวาทีใช่สักาวาทีกำลังของพระสาวกก็เช่นเดียวกับกำลังของพระตถาคตกำลังของพระตถาคตก็เช่นเดียวกับกำลังของพระสาวกใช่ไหมประวาตีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักาวาทีกำลังของพระตถาคตมีได้ทั่วไปแก่พระสาวกใช่ไหมประวาทีใช่สกาวาที บุรพภัพประโยคบุรพัจริยาการกล่าวธรรมการแสดงธรรมของพระสาวกก็เช่นเดียวกับบุรพัพประโยคบุรพัจริยาการแสดงธรรมของพระตถาคตใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาติกำลังของพระตถาคตมีได้ทั่วไปแก่พระสาวกใช่ไหมประวาทีใช่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 เป็นพระศัพท์พระทัตสาวีเป็นพระธรรมมัตสามีเป็นพระธรรมปฏิจารณนะใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกำลังของพระตถาคตมีได้ทั่วไปแก่พระสาวกใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีพระตถาคตเป็นผู้ยังมรรคที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น เป็นผู้ให้กำเนิดแก่มักที่ยังไม่มีใครให้กำเนิดเป็นผู้บอกมักที่ยังไม่มีใครบอกเป็นผู้รู้มักเป็นผู้เข้าใจมักเป็นผู้ฉลาดในมักใช่ไหมปราวาทีใช่สกวาทีพระสาวกก็เป็นผู้ยังมักที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเป็นผู้ให้กำเนิดแก่มักที่ยังไม่มีใครให้กำเนิดเป็นผู้บอกมักที่ยังไม่มีใครบอก เป็นผู้รู้มักเป็นผู้เข้าใจมักเป็นผู้ฉลาดในมักใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกำลังของพระตถาคตคือปรีชาอย่างรู้ตามความเป็นจริงซึ่งความยิ่งและย่อนแห่งอินทรีย์ของสัตว์อินทรียประปโรปริยตญาณมีได้ทั่วไปแก่ปราสาพวกใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาที พระสาวกเป็นผู้รู้ธรรมทั้งปวงเป็นผู้เห็นธรรมทั้งปวงใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น35มหหประวาทีพระสาวกรู้ฐานะและอาัถานะใช่ไหมสกวาทีใช่ประวาทีหากพระสาวกรู้ฐานะและอัานะได้ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่า กำลังของพระตถาคตคือปริชาอย่างรู้ตามความเป็นจริงถึงฐานะและอัานะฐานาฐานาณมีได้ทั่วไปแก่ระสาวกประวาทีพระสาวกรู้วิบากแห่งกรรมมัสมาทานทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันโดยฐานะโดยเหตุใช่ไหมสกวาทีใช่ประวาที หากประสาบรู้วิบากแห่งกรรมสมาทานทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันโดยฐานะโดยเหตุดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่ากำลังของพระตถาคตคือปรีชาอย่างรู้ตามความเป็นจริงถึงวิบากแห่งกรรมสมาทานกรรมวิปกรรมวิปากยานทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันโดยฐานะโดยเหตุมีได้ทั่วไปแก่ระสาบกปรูวาที พระสาวกรู้ปฏิปทาที่จะให้สัตว์ถึงคติและมีใช่คติทั้งปวงได้ใช่ไหมส ก, กวาทีใช่ประวาทีหากพระสาวกรู้ปฏิปทาที่จะให้สัตว์ถึงคติและมีใช่คติทั้งปวงได้ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่ากำลังของพระตถาคตคือปริชาอย่างรู้ตามความเป็นจริงถึงปฏิปทาที่จะให้สัตว์ ถ, ถึงคติ และมิใช่กติทั้งปวงสพัทคามินีปฏิปทาญานมีได้ทั่วไปแก่พระสาวกประวาทีระสาวกรู้โลกซึ่งมีธาตุหลายอย่างต่างๆกันได้ใช่ไหมสกวาทีใช่ประวาทีหากระสาวกรู้โลกซึ่งมีธาตุหลายอย่างต่างๆกันได้ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่า กำลังของพระตาคตคือปริชาอย่างรู้ตามความเป็นจริงซึ่งมีธาตุหลายอย่างต่างๆกันนานาทาตุญานมีได้ทั่วไปแก่ระสาวกประวาทีพระสาวกรู้ว่าสัตว์ทั้งหลายมีอัธยาศัยต่างๆกันได้ใช่ไหมสกวาทีใช่ประวาทีหากพระสาวกรู้ว่าสัตว์ทั้งหลายมีอัธยาศัยต่างๆกันได้ ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่ากำลังของพระสถาคตคือปริชาอย่างรู้ตามความเป็นจริงถึงความที่สัตว์ทั้งหลายมีอัตยาัยต่างๆกันนานาที่มุตติกยานมีได้ทั่วไปแก่ระสาวกปรวาทีระสาวกรู้ความเจ้าหมองความผ่องแ้่การออกจากฌานวิโมสมาธิและสมาบัติได้ใช่ไหมสกวาทีใช่ ปราวาทีหากพระสาวกรู้ความเศร้าหมองความผ่องแพ้วการออกจากฌานวิโมกสมาธิและสมาบัติได้ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่ากำลังของพระตถาคตคือปริชาอย่างรู้ตามความเป็นจริงถึงความเศร้าหมองความผ่องแพ้วการออกจากฌานวิโมกสมาธิและสมาบัติชานาธิสังกิเลสาธิยานมีได้ทั่วไปแก่ระสาวก ปรวาทีระสาวกรู้การระลึกถึงขันธ์ที่อาศัยอยู่ในชาติก่อนได้ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีหากระสาวกรู้การระลึกถึงขันธ์ที่อาศัยอยู่ในชาติก่อนได้ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่ากำลังของพระตถาคตคือปริชาอย่างรู้ตามความเป็นจริงถึงการระลึกถึงขันธ์ที่อาศัยอยู่ในชาติก่อนอุเพนิวาสานุสติยาน มีได้ทั่วไปแก่พระษาวกประวาทีระษาวกรู้จุติและปฏิสนธิของสัตว์ทั้งหลายได้ใช่ไหมสกวาทีใช่ประวาทีหากพระษาบกรู้จุติและปฏิสนธิของสัตว์ทั้งหลายได้ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่ากำลังของพระตถาคตคือปรีชาอย่างรู้ตามความเป็นจริงถึงจุติและปฏิสนธิของสัตว์ทั้งหลาย จตูปปาตาญานมีได้ทั่วไปแก่ระสาวกปรวาทีอาสวะของพระตถาคตสิ้นไปแล้วและของพระสาวกก็สิ้นไปแล้วมิใช่หรือจักกวาทีใช่ปรวาทีเหตุอะไรอะไรที่ทําให้ต่างกันระหว่างความสิ้นไปแห่งอาสวะของพระตถาคตกับความสิ้นไปแห่งอาสวะของพระสาวก หรือระหว่างความหลุดพ้นของพระตถาคตกับความหลุดพ้นของพระสาวกมีอยู่ใช่ไหมสกวาทีไม่มีประวาทีหากไม่มีเหตุอะไรอะไรที่ทําให้ต่างกันระหว่างความสิ้นไปแห่งอาสวะของพระตถาคตกับความสิ้นไปแห่งอาสวะของพระสาวกหรือระหว่างความหลุดพ้นของพระตถาคต ก, กับความหลุดพ้นของพระสาวกดังนั้น ท่านจึงควรยอมรับว่ากําลังของพระสถาคตคือปริชาอย่างรู้ตามความเป็นจริงในความสิ้นไปแห่งอาสวะอาสวัคยายานมีได้ทั่วไปแก่ระสาวก3ามห้าปราวาทีกําลังของพระสถาคตคือปริชาอย่างรู้ตามความเป็นจริงในความสิ้นไปแห่งอาสวะมีได้ทั่วไปแก่ระสาวกใช่ไหมสกวาทีใช่ปราวาที กำลังของพระตถาคตคือปรีชาอย่างรู้ตามความเป็นจริงในฐานะและอัถนะมีได้ทั่วไปแก่ระสาวกใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาที <qu ham> กำลังของพระต ถ, ถาคตคือปรีชาอย่างรู้ตามความเป็นจริงในความสิ้นไปแห่งอาสวะมีได้ทั่วไปแก่พระสาวกใช่ไหมสกาวาทีใช่ปรวาที กำลังของพระตถาคตคือปรีชาอย่างรู้ตามความเป็นจริงในจุติและปฏิสนธิของสัตว์ทั้งหลายมีได้ทั่วไปแก่ระสาวกใช่ไหมสกวาธีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นประวาทีกำลังของพระตถาคตคือปรีชาอย่างรู้ตามความเป็นจริงในฐานะและอัถนะมีได้ไม่ทั่วไปแก่ราสาวกใช่ไหมสกวาทีใช่ ปรวาทีกำลังของพระสถาคตคือปรีชาอย่างรู้ตามความเป็นจริงในความสิ้นไปแห่งอาสะวะมีได้ไม่ทั่วไปแก่พระสาบกใช่ไหมักวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีกำลังของพระสถาคตคือปรีชาอย่างรู้ตามความเป็นจริงในจุติและปฏิสนธิของสัตว์ทั้งหลายมีได้ไม่ทั่วไปแก่พระสาวกใช่ไหมสก paths, วาทีใช่ ประวาทีกำลังของพระตถาคตคือปรีชาอย่างรู้ตามความเป็นจริงในความสิ้นไปแห่งอาสวะมีได้ไม่ทั่วไปแก่ระสาวกใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นประว า, าทีกำลังของพระตถาคตคือปรีชาอย่างรู้ตามความเป็นจริงถึงความยิ่งและย่อนแห่งอินทรีย์มีได้ไม่ทั่วไปแก่ระสาวกใช่ไหมสกวาทีใช่ ปราวาทีกำลังของพระตถาคตคือปรีชาอย่างรู้ตามความเป็นจริงในฐานะและอาัถานะมีได้ไม่ทั่วไปแก่ระสาวกใช่ไหมสักวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปราวาทีกำลังของพระตถาคตคือปรีชาอย่างรู้ตามความเป็นจริงถึงความยิ่งและย่อนแห่งอินทรีย์มีได้ไม่ทั่วไปแก่พระสาวกใช่ไหมสักวาทีใช่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 ปรวาทีกำลังของพระธถาคตคือปรีชาอย่างรู้ตามความเป็นจริงถึงความยิ่งและย่อนแห่งอินทรีย์มีได้ทั่วไปแก่ระสาวกใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีกำลังของพระธถาคตคือปรีชาอย่างรู้ตามความเป็นจริงในความสิ้นไปแห่งอาสวะมีได้ทั่วไปแก่ระสาวกใช่ไหมสกวาทีใช่ ปรวาทีกำลังของพระสถาคตคือปริจาอย่างรู้ตามความเป็นจริงถึงความยิ่งและย่อนแห่งอินทรีย์มีได้ทั่วไปแก่พระสาวกใช่ไหมสักกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นพรกถาจบ 2. อ, อริยันติกถาในมูเรบย2ว่าด้วยความเป็นอริยะ 3ามห้าสักวาทีกำลังของพระธถาคตคือปรีชาอย่างรู้ตามความเป็นจริงในฐานะและอัถนะเป็นอริยะใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีกำลังของพระธถาคตเป็นมัชผลนิพพานโสดาปฏิมัชโสดาปฏิผลสกทาคามิมัชสกทาคามิผลอนาคามิมัชอนาคามิผลอรหัตต์มัชอรหัตตผล สติปทานสมปทานอิทธิบาทอินทรพละโพชงใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกำลังของพระตถาคตคือปรีชาอย่างรู้ตามความเป็นจริงในฐานะและอัถนะเป็นอริยะใช่ไหมประวาทีใช่สกาวาทีกำลังของพระตถาคตมีสุญญาต เป็นอารมณ์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกำลังของพระตถาคตมีสุญญาตเป็นอารมณ์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระตถาคตทรงฝ่ายพระทัยถึงฐานะอัานะและสุญญาตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาที พระตถาคตตรงไฟพระไทยถึงฐานะอัถนะและสุญญตะใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีมีการประชุมแห่งภัตตะสองอย่างจิตสองดวงใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกำลังของพระตถาคตคือปรีชาอย่างรู้ตามความเป็นจริงในฐานะและอัถนะเป็นอริยะใช่ไหมปรวาทีใช่ สกวาธีกำลังของพระตถาคตมีอนิมิตะเป็นอารมณ์มีอัปปนิหิตะเป็นอารมณ์ใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาธีกำลังของพระตถาคตมีอัปนิหิตะเป็นอารมณ์ใช่ไหมปราวาทีใช่สกวาธีพระตถาคตทรงใฝ่พระไทัยถึงฐานะอัถานะาานะและอัปนิหิตะใช่ไหมปราวาที ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระตถาคตทรงไฝ่พระทัยถึงฐานะอถฐานะและอัปปนิหิตะใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีมีการประชุมแห่งพัตตะสองอย่างจิตสองดวงใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น358 ส, 58, สกวาทีสติปัฏฐานเป็นอริยะมีสุญญาตเป็นอารมณ์ใช่ไหม ปรวาทีใช่สกวาทีกำลังของพระตถาคตคือปรีชาอย่างรู้ตามความเป็นจริงในฐานะและอาัถานะเป็นอริยะมีสุญญตะเป็นอารมณ์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสติปัฏฐานเป็นอริยะมีอนิมิตตะเป็นอารมณ์มีอปปนิหิตะเป็นอารมณ์ใช่ไหมปรวาทีใช่ สกวาธีกำลังของพระตถาคตคือปรีชาอย่างรู้ตามความเป็นจริงในฐานะและอาฐานะเป็นอริยะมีอัปปนิหิตะเป็นอารมณ์ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาธีสั ม, มปทานอิทิบาทอินสีพละโทษชงเป็นอริยะมีสุญญตะเป็นอารมณ์ใช่ไหมประวาทีใช่ สกวาธีกำลังของพระตถาคตคือปรีชาอย่างรู้ตามความเป็นจริงในฐานะและอัานะเป็นอริยะมีสุญญาตเป็นอารมณ์ใช่ไหมปรวาธีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาธีโพดชงเป็นอริยะมีอนิมิตตะเป็นอารมณ์มีอัปปนิหิตะเป็นอารมณ์ใช่ไหมปรวาทีใช่ สกวาธีกำลังของพระตถาคตคือปริชาอย่างรู้ตามความเป็นจริงในฐานะและอาถานะเป็นอริยมีอปัปนิหิตะเป็นอารมณ์ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น3 5มร้สกสกวาธีกำลังของพระตถาคตคือปริชาอย่างรู้ตามความเป็นจริงในฐานะและอาถานะเป็นอริยแต่ท่านไม่ยอมรับว่า มีสุญญาตาเป็นอารมณ์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสติปัฏฐานเป็นอริยะแต่ท่านไม่ยอมรับว่ามีสุญญตาเป็นอารมณ์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกำลังของพระตถาคตคือปริชาอย่างรู้ตามความเป็นจริงในฐานะและอาัถานะเป็นอริยะแต่ท่านไม่ยอมรับว่ามี อนิมิตะเป็นอารมณ์มีอปปนิหิตะเป็นอารมณ์ใช่ไหมปรวาทีใช่ส ก, กวาทีสติปัฏฐานเป็นอริยะแต่ท่านไม่ยอมรับว่ามีอัปปนิหิตะเป็นอารมณ์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นส ก, กวาทีกำลังของพระตถาคตคือปรีชาอย่างรู้ตามความเป็นจริงในฐานะและอัถานะ เป็นอริยะแต่ท่านไม่ ย, ยอมรับว่ามีสุญญติเป็นอารมณ์มีอนิมิตต์เป็นอารมณ์มีอัปปนิหิตะเป็นอารมณ์ปปมใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสมปทานโปดชงเป็นอริยะแต่ท่านไม่ยอมรับว่ามีอัปปนิหิตะเป็นอารมณ์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น 360. สักวาทีกำลังของพระตถาคตคือปรีชาอย่างรู้ตามความเป็นจริงในจุติและปฏิชนทิของสัตว์ทั้งหลายเป็นอริยะใช่ไหมประวาทีใช่สักวาทีกำลังของพระตถาคตเป็นมรลนิพานโสดาปฏิมรโสดาปฏิผลโปชชงใช่ไหม ปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกำลังของพระตถาคตคือปรีชาอย่างรู้ตามความเป็นจริงในจุติและปฏิสนธิของสัตว์ทั้งหลายเป็นอริยะใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีกำลังของพระตถาคตมีสุญญตระเป็นอารมณ์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาที กำลังของพระตถาคตมีสุญญาตเป็นอารมณ์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระตถาคตตรงไฟพระไทยถึงจุติปฏิสนธิของสัตว์ทั้งหลายและสุญญาตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระตถาคตตรงไฟพระไทยถึงจุติปฏิสนธิของสัตว์ทั้งหลายและสุญญาตใช่ไหมปรวาที ใช่สกวาธีมีการประชุมแห่งภระสสองอย่างจิตสองดวงใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาธีกําลังของพระตถาคตคือปริชาอย่างรู้ตามความเป็นจริงในจุติและปฏิสนธิของสัตว์ทั้งหลายเป็นอริยะใช่ไหมประวาทีใช่สกวาธีกําลังของพระตถาคตมีอนิมิตะเป็นอารมณ์ มีอปปนิหิตะเป็นอารมณ์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกำลังของพระตถาคตมีอปปนิหิตะเป็นอารมณ์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระตถาคตจงใฝ่พระทัยถึงจุติปฏิสนธิของสัตว์ทั้งหลายและอปปนิหิตะใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกวาทีพระตถาคตทรงไฝ่พระทัยถึงจุดติปฏิสนธิของสัตว์ทั้งหลายและอัปณิหิตะใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาธีมีการประชุมแห่งภัตตะตองอย่างจิตสองดวงใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น361กสกวาทีสติปฐานเป็นอริยมีสุ ญ, ญตะเป็นอารมณ์ มีอนิมิตะเป็นอารมณ์มีอัปนิหิตะเป็นอารมณ์ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีกำลังของพระตถาคตคือปริชาอย่างรู้ตามความเป็นจริงในจุติและปฏิสนธิของสัตว์ทั้งหลายเป็นอริยะมีอัปนิหิตะเป็นอารมณ์ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีส ม, มัปปทาน โคชงเป็นอริยะมีสุญญาตเป็นอารมณ์มีอนิมิตะเป็นอารมณ์มีอปปนิหิตะเป็นอารมณ์ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีกำลังของพระตถาคตคือปรีชาอย่างรู้ตามความเป็นจริงในจุติและปฏิสนธิของสัตว์ทั้งหลายเป็นอริยะมีอปปนิหิตะเป็นอารมณ์ใช่ไหมประวาที ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกำลังของพระตถาคตคือปรีชาอย่างรู้ตามความเป็นจริงในจุติและปฏิสนธิของสัตว์ทั้งหลายเป็นอริยะแต่ท่านไม่ ย, ยอมรับว่ามีสุญญะตเป็นอารมณ์มีอนิมิตะเป็นอารมณ์มีอัปะนิหิตะเป็นอารมณ์ใช่ไหมปราวาทีใช่สกวาที ติปัฏฐานเป็นอริยะแต่ท่านไม่ยอมรับว่ามีอปปนิหิตะเป็นอารมณ์ใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสามกสกวาทีกำลังของพระต ถ, ถาคตคือปรีชาอย่างรู้ตามความเป็นจริงในจุติและปฏิสนธิของสัตว์ทั้งหลายเป็นอริยะแต่ท่านไม่ยอมรับว่ามีสุญญตะเป็นอารมณ์ มีอนิมิตะเป็นอารมณ์มีอปปนิหิตะเป็นอารมณ์ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีส ม, มัปปทานโพดชงเป็นอริยะแต่ท่านไม่ยอมรับว่ามีอปปนิหิตะเป็นอารมณ์ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น ประวาทีกำลังของพระตถาคตคือปรีชาอย่างรู้ตามความเป็นจริงในความสิ้นไปแห่งอาสวะเป็นอริยะใช่ไหมสกวาทีใช่ประวาทีกำลังของพระตถาคตคือปรีชาอย่างรู้ตามความเป็นจริงในฐานะและอฐถนะเป็นอริยะใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาที กำลังของพระธถาคตคือปรีชาอย่างรู้ตามความเป็นจริงในความสิ้นไปแห่งอาสวะเป็นอริยะใช่ไหมสกวาทีใช่ประวาทีกำลังของพระธถาคตคือปรีชาอย่างรู้ตามความเป็นจริงในจุติและปฏิสนธิของสัตว์ทั้งหลายเป็นอริยะใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นประวาที กำลังของพระตถาคตคือปรีชาอย่างรู้ตามความเป็นจริงในฐานะและอัถานะแต่ท่านไม่ยอมรับว่าเป็นอริยะใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีกำลังของพระตถาคตคือปรีชาอย่างรู้ตามความเป็นจริงในความสิ้นไปแห่งอาสวะแต่ท่านไม่ยอมรับว่าเป็นอริยะใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาที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 สกวาธีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาธีกำลังของพระตถาคตคือปรีชาอย่างรู้ตามความเป็นจริงในความสิ้นไปแห่งอาสวะเป็นอริยมีสุญญะเป็นอารมณ์ใช่ไหมสกวาธีใช่ปรวาธีกำลังของพระตถาคตคือปรีชาอย่างรู้ตามความเป็นจริงในฐานะและอาัถานะเป็นอริย มีสุญญตะเป็นอารมณ์ใช่ไหมสกวาธีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีกำลังของพระสถาคตคือปริชาอย่างรู้ตามความเป็นจริงในความสิ้นไปแห่งอาจาวะเป็นอริยมีอนิมิตตะเป็นอารมณ์มีอัปปนิหิตะเป็นอารมณ์ใช่ไหมสกวาธีใช่ปรวาที กำลังของพระตถาคตคือปรีชาอย่างรู้ตามความเป็นจริงในฐานะและอัถนะเป็นอริยะมีอปปนิหิตะเป็นอารมณ์ใช่ไหมสกวาตีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นประวาตีกำลังของพระตาคตคือปรีชาอย่างรู้ตามความเป็นจริงในความสิ้นไปแห่งอาสวะเป็นอริยะมีสุญญตะเป็นอารมณ์มีอนิมิตะเป็นอารมณ์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 มีสุญญาตเป็นอารมณ์ใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีกำลังของพระตถาคตคือปรีชาอย่างรู้ตามความเป็นจริงในฐานะและอาัถานะเป็นอริยะแต่ท่านไม่ยอมรับว่ามีอนิมิตตเป็นอารมณ์มีอัปปนิหิตตเป็นอารมณ์ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาที กำลังของพระตถ า, าคตคือปรีชาอย่างรู้ตามความเป็นจริงในความสิ้นไปแห่งอาสวะเป็นอริยะแต่ท่านไม่ยอมรับว่ามีอปปนิหิตะเป็นอารมณ์ใช่ไหมสักวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นประวาทีกำลังของพระตถ า, าคตคือปรีชาอย่างรู้ตามความเป็นจริงในจุติและปฏิสนธิของสัตว์ทั้งหลายเป็นอริยะ แต่ท่านไม่ยอมรับว่ามีสุญญตะเป็นอารมณ์มีอนิมิตตะเป็นอารมณ์มีอปปนิหิตตะเป็นอารมณ์ใช่ไหมสกวาทีใช่ประวาทีกำลังของพระตถาคตคือปรีชาอย่างรู้ตามความเป็นจริงในความสิ้นไปแห่งอาสวะเป็นอริยะแต่ท่านไม่ยอมรับว่ามีอัปปนิหิตะเป็นอารมณ์ใช่ไหม สกาวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นอริยันติกถาจบ